พวกหน้าเก่าๆ เ, เรียนแล้วเรียนอีกว่าจะเรียนไม่ได้นะต้องลงมือทํานะธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกเหมือนไปเรียนตํารายารักษาโรคไม่ได้หรอกพวกเรามีบุญนะได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีพระศาสนาอยู่ยังมีโอกาสได้ฟังทำเรื่องของคนมีบุญ คือถ้าเราไม่มีบุญมาเลยนะเราจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินที่ยังมีศาสนาอยู่หรือมีบุญน้อยได้เกิดในแผ่นดินไทยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โอกาสเจอสัตบุรุษไปเจอสิ่งที่ตรงข้ามกับสัตบุรุษเขาเรียกว่าโมฆบุรุษโมฆบุรุ ษ, ร, ษรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้บัญญัติว่าโมฆสตรีเดี๋ยวจะว่ากดขี่ผู้หญิงก็เลยมีโมฆบุรุษ พวกมคค บ, บุรุษนี้ก็จะชอบพาคนเข้ารถเข้าพงนั้วแหละไม่ได้สอนสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจริงๆนักสัตบุรุษก็คือคนซึ่งเขาสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้ามาได้จริงๆถ้าไม่มีบุญนะถึงเกิดในประเทศไทยก็ไม่ได้เจอสัตตบุรุษแสัตบุรุษอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะช่วยไม่ได้หรอกนะแต่เวรแต่กรรมบางคนเจอสัตตบุรุษนะ แล้วไม่เข้าใกล้ไม่ฟังธรรมพวกนี้ก็เรียกว่าเจอของดีแล้วไม่เอาเวีกรรมอีกแหละบุญไม่ถึงสังเกตดูสิอย่างคนเจอครูบาอาจารย์ตั้งเยอะแยะนะมีสักกี่คนที่จะอยากภาวนาอยากเข้ามาฟังธรรมนี่คนที่ฟังธรรมแล้วนะถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่อยากภาวนาอีกนะฟังอย่างเดียวงั้นถ้าคนไหนบุญถึงจริงๆนะก็ได้เกิด ในแผ่นดินที่มีพระศาสนาอยู่ได้พบสัตบุรุษพบแล้วสนใจเข้าใกล้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติธรรมตรงลงมือปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังปฏิบัติสมควรแก่ธรรมบางคนไม่สมควรแก่ธรรมปฏิบัติย่อๆใหญ่ๆหลือปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมดังั้นคนไหนมีบุญจริงๆนะบารมีแก่รอบแล้วพอได้ฟังธรรมก็ลงมือปฏิบัติเอาชีวิตเข้าแลกเลย อาชีวิตเข้าแรกไม่จําเป็นไม่ต้องไปนั่งอยู่กับเสือยุคนี้เสือไม่มีนะจะไปขอนั่งในกรงที่สวนเสือเขาคง <c oughs> เขาอาจจะจ่ายเงินให้อีกเสือมันเชื่องที่เขาให้นั่งเงินพวกเราถือว่ามีบุญนะอย่างน้อยเราสนใจเราสมัครใจมาเรียนธรรมะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจ ไม่ถึงขนาดว่าต้องอุทิศชีวิตให้พระพุทธเจ้าหรอกอินทรีย์เรายัางไม่แก่กล้าศรัทธาเรายัางไม่แก่กล้าสี่วันห้าวันนี้แหละทุ่มเทหน่อยอย่าเอาแต่คิดถึงบ้านนะพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากๆวิทยากรทีมนี้ก็เป็นวิทยากรที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งละที่หลวงพ่อเคยเห็นทีมไฟฟ้านี่แหละงั้นเรามีโอกาสแล้วนะมี รูบาอาจารย์มีพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยเสร็จแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราอย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําจิตให้นิ่งๆ หลายคนบอกอดิฉันไม่มีวาสนาบารมีเลยนั่งสมาธิที่ไรจิตไม่สงบเลยไม่มักน้อยอย่างั้นเรียกมากน้อยหรือเรียกงโง่ก็ไม่รู้เอาแค่สงบมันจะไปพ อ, อะไรสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกเพราะความสงบมันไม่เที่ยงหรือบางคนอยากดีทำไงจะไม่มีกิเลสอยากดีก็มักน้อยอีกเลยะดีมันไม่เที่ยง มันดีได้อย่างชั่วได้อีกสงบได้ก็อย่างฟุ้งซ่านได้บางคนภาวนาอยากมีความสุขนี่ก็พวกมักน้อยอีกแหละความสุขมันไม่เที่ยงมักน้อยก็เพราะว่ามันมีนิดเดียวมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็แปรพรวนไปอีกเพะ้ถ้าคนไหนไปวาดภาพว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความดียังเข้าใจศาสนาพูดเพียงผิวเผินเท่านั้น เล็กน้อยมากเลยเพราะการจะปฏิบัติทำให้เกิดความสุขความสงบความดีเนี่ยไปปฏิบัติในาศาสนาอื่นก็ได้ในาศาสนาอื่นเขาก็ทำได้อย่างมุสลิมที่ดีเนี่ยเขาละหมาดวันละห้าครั้งใช่เขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีนะเขาสงบไหมเขาคิดถึงพระเจ้าได้วันหนึ่งห้ารอบเนี่ยเขาเป็นคนดใีใจเขาก็ไม่ฟุ้งซ่านใจมีความสุขไหมมีความสุข เป็นคลิสที่ดีใช่หไหมเป็นคลิสที่ดีมันก็ดีแหละฉะนจริงๆแล้วในาศาสนาอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันไอ้คำสอนเพื่อให้เข้าถึงความสุขความสงบความดีแล้วอะไรเป็นจุดแตกต่างระหว่างาศาสนาพุทธกับศานสาศนาอื่นๆหรือว่าปรัชญาสาขาอื่นๆหรือว่านักคิดคนอื่นๆาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เอาของซึ่งมันไม่เที่ยง ความสุขความสงบความดียังเป็นของที่แปรปรวนอยู่สุขได้ก็ทุกได้สงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้ดีได้ก็ยังเลวได้อีกเพราะมันของไม่จริงจังสิ่งที่ศาสนาพุทธต้องการสอนพวกเรานะคือความจริงคือสัจจะต้องการให้เราเข้าถึงสัจจะคือความจริงความจริงที่สูงสุดเรียกว่าอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งทําให้คนธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นพระอริยะ แปลอย่างนั้นก็ได้นะอริยสัจคือสัจจะคือความจริงซึ่งทำให้คนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลหรือจะแปลว่าเป็นความจริงที่พระอริยบุคคลไปเห็นก็ได้ปุถุชนไม่เห็นแต่พระอริยบุคคลเห็นตัวอริยสัจ ต, ตัวความจริงแท้หรือตัวสัมมาทิษฐินั่นเองความเข้าใจอริยสัจนั่นเรียกว่าสัมมาทิฐิ เ น, เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะที่มุ่งให้พวกเราเข้าถึงก็คือเข้าใจอริยสัจหรือเกิดสมัมธาทิฏิไมไม่ใช่เอาสุขเอาสงบเอาดีนะถ้าเราเกิดสมาธิฏิที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะสุขมันจะสง บ, ม, สงบมันจะดีแต่เป็นสุขที่พ้นจากโลกเป็นความสงบที่พ้นจากโลกเป็นความดีที่พ้นจากโลกพ้นจากความแปรปรวน เป็นความสุขอยู่ในตัวของตัวเองโดยไม่ไ <saved> ด้อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความดีในตัวเองที่ไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความสงบเป็นความสุขมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นอิสรภาพที่สูงสุดมนุษย์ทั้งหลายใฝ่ฝันถึงอิสรภาพแต่มนุษย์มีแต่พันธนาการนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนรัฐศาสตร์ ลืมไปแล้วไม่รู้มันชื่ออะไรไอ้คนที่พูดประโยคนี้นบอกมนุษย์ใฝ่ฝันปรารถนาอิสรภาพแต่มนุษย์เต็มไปด้วยพันธนาการทุกคนทุกแห่งมีแต่พันธนาการเครื่องผูกมัดทั้งนั้นเลยรวมทั้งไอ้คนที่พูดประโยคนี้ด้วยมันก็ไว้พลหลบเราะฉนั้นถ้าพวกเราศึกษาธรรมะนะวันหนึ่งเราจะเกิดสมาทิทฐิเข้าใจอริยสัจ จิตใจเข้าใจจิตใจยอมรับอริยสัตว์สิ่งที่เราจะได้มากคืออิสรภาพเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงที่ดูซื้อมีอิสรภาพกับเป็นทาสอันไหนมันจะดีกว่ากันมนุษย์ทั้งหลายนะปรารถนาอิสรภาพแต่เป็นทาสถ้าเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นเลยเราเป็นทาสของตัณหาตัณหาสั่งทั้งวันรู้สึกไหมสั่งทั้งวันพวกที่เรียนแล้วเรียนอีกรู้สึกไหมถูกสั่งตลอดเวลา ไปดูโน่นไปฟังนี่ไปกินนั่น ไ, ไปหาสัมผัสที่ดีๆไปคิดเรื่องนี้สิสนุกไปวัดสิไปไปหาหลวงพ่อประโมทเนี่ยยุคนี้ใครไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อประโมทนี่เฉยนะเนี่ยมีพระสององค์แล้วพูดถึงหลวงพ่อบอกเป็นปรากฏการณ์เป็นฟีนอมนาแล้วองค์นึงชื่อหลวงพ่อทรงศักดิ์ท่นานส0สกว่าพรรษาท่านเคยมาที่นี่ ท่านพูดมาแต่ปีก่อนน้นท่านบอกว่ายุคโน้นนะสองปีก่อนในเมืองไทยเนี่ยมีฟีโนมินาสองอันคือจตุคามกับหลวงพ่อประโมทจตุคามมันไปแล้วมันไปแล้วเหลือแต่ปรากฏการหลวงพ่อประโมท น, นี่หลวงพ่อไพศาลท่านก็ไปเขียนวิเคราะห์ศาสนาพูดไปใช่ไหมพี่ใครเอามาให้หลวงพ่ออ่านครับก็พูดถึงปรากฏการหลวงพ่อประโมทปรากฏการหลวงพ่อประโมท น, นี่พาให้คนตื่นนะ ไม่มีการจัดตั้งนะไม่มีขบวนการไม่ได้ยกตัวเองขึ้นเป็นศาสตราไม่สนใจกระทั่งลูกสิษย์ลูกหาสิ่งที่ทําคืออะไรทําปลูกฝังสัมมาทิฐิลงในใจพวกเรานี่นะถามว่าใครเป็นลูกศิษย์หลวง พ, พว่อพมโไม่รู้นะเพราะไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่ต้องสมัครเห็นไหมไม่ต้องสมัครไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะลงทะเบียนเห็นัหม ก่อนจะเข้าคอสนี้ต้องลงทะเบียนที่นี่ไม่มีหรอกใครอยากเข้ามาฟังก็ฟังใครฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังแล้วไม่ชอบใจเชิญจะไปไหนก็เชิญไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่คนไหนที่ฟังนะอดทนฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจตัวเองในเวลาประมาณเดือนเดียวเท่านั้นแหละชีวิตจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนให้ดูแนละ้วมีหลายคนทําภาวนามาตั้งหลายสิปี ได้ความสุขได้ความสงบนะแล้วก็กลับมาเป็นทุกข์กลับมาฟุ้งซ่านได้อีกวนเวียนนะสงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบนะสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีนะหลายสิบีวนๆอยู่แค่นี้นะตัดวงจรอุบาท้ไม่ออกนะมาฟังธรรมะหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตัดวงจรอุบาทิแล้ตัดด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเราจะเรียนจนสติเกิด เรียนจนจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเรียนจนเกิดปัญญาคือตัวสัมมาทิฐิเข้าใจความเป็นจริงของอริยสัจเบื้องต้นไม่เข้าใจอริยสัจทั้งหมดหรอกยังไม่เข้าใจนิโรธไม่เข้าใจนิพพานไม่เข้าใจอริยมรรคเข้าใจตื้นๆหน่อยเข้าใจกายเข้าใจใจตัวเองเรียกว่าเข้าใจทุกข์รู้อย่างรู้ไม่ลึกซึ้งมากนะเบื้องต้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นรู้จักสมุทัย เราที่ภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมถ้ามีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นดูออกไหมเรายังไม่ถึงขั้นว่าเมื่อมีขันก็มีทุกข์พวกเราภาวนามาได้ถึงขั้นที่ว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์คนทั่วๆไปนั้นต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์พวกที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วมีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งในอริยสัจนะจะเห็นว่าจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากแค่มีขันก็มีทุกข์แล้ว ไฟฟ้าคนไหนไม่รู้จักคำว่าขันไหมที่มาใหม่ขันคืออะไรรู้สึกไหมใจไปทําอะไรบ้างตอนที่หลวงพ่อเว้นวักเนี่ยรู้สึกเป่าใจหนีไปคิดรู้สึกไหมคิดๆบาคนคิดออกไปนอกวัดเลยราคนก็คิดวนเวียนอยู่กับตัวเองบางคนก็คิดหวาดผวาหลวงพ่อเวลาหยุดนิ่งๆไปทีไรมังจะไล่จี้ แล้วก็แปลกนะกลัวหลวงพ่อจี้นะแต่ก็อยากมาให้จี้ถ้าไม่จี้ก็เสียใจ <c oughs> เอาอย่างไงแน่นะ้อมนุษย์ทั้งหลายมันถึงความทุกข์เยอะคนทั้งหลายมีคอน FLICT ในตัวเองเยอะทุกคนอะอย่างแต่ละคนเนะี่ยอยากจะมีอิสระใช่ไหมแต่อยากให้คนอื่นยอมรับรู้สึกไหมอยากมีเพื่อนฝูงอยากคนในบ้านมีอะไรเงี้ยมีคนที่แวดล้อมเขายอมรับเราคือมีความสุขอยู่ด้วยคนอื่นแต่อยากเป็นอิสระจากคนอื่นนะ มันเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกันเองถ้าอยากมีพวกพ้องใช่ไหมมันก็ต้องไปคลุกคลีอยู่กับเขาคลุกคลีอยู่กับเขามันก็ต้องเสียอิสรภาพบางส่วนไปอยากจะแต่งงานก็เสียอิสรภาพรู้สึกไหมเขาเลยต้องสวมแหวนเมื่อก่อนเนื้อเป็นสัญลักษณ์ของการใส่โซ่ตรวนเดี๋ยวนี้ก็ย่อลงมาเหลือใส่แหวนไม่รู้หรอกว่าเสียอิสรภาพไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายน่าสงสารอยากได้ อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันดีๆมันสบายมันอิสระแต่ก็ต้องสูญเสียมันแต่เพราะว่ามันสู้กิเลสไม่ไหวเราจะมาเรียนนะสี่วันนี้เราจะเรียนเรียนจนกระทั่งใจขาเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้มาเราจะเข้าใจว่าศาสนาพุทธนะมีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย something นะมีไม่ใช่ไม่มี แต่เดิมถ้าไม่เคยศึกษาธรรมะจนเข้าถึงแก่นเนี่ยหลวงพ่อเองอเป็นตอนเด็กๆนะั้นเรารู้สึกเวิง้งว้างเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจะมีเยอะแยะไปหมดเลยแลเราจะรู้ทั่วถึงธรรมของท่านได้ยังไงเรียกว่าเราไม่มีแก่นเหมือนเราเห็นธรรมะเป็นตู้เนี่ยมีตู้อยู่ทำไงเราจะไขตู้ออกมาได้เราไม่มีกุญแจเราไม่รู้ว่าอะไรคือกุญแจที่จะไขเปิดหัวใจเราเข้าไปสู่ธรรมะ เราไม่มีกุญแจดอกสําคัญนี้กุญแจดอกสําคัญนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองธรรมะถึงจะมีมากมายนะแต่วิธีปฏิบัติมีอันเดียวแหละขั้นแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอย่าใจลอยสังเกตไหมเราใจลอยตลอดวันใจแอบไปคิดตลอดวันเวลาที่เราใจลอยไปนะมันลืมกายลืมใจตัวเองไม่ได้เรียนธรรมะเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่นแต่เรียนที่กายที่ใจนี้ ไม่อายใจลอยนะลืมกายลืมใจไปนี่พอไม่ใจลอยนะมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าไปเพ่งมันอีกนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจดูกายดูใจไปอย่างสบายๆเนี่ยแก่นของการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้คือมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางในแก่นของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้กว่าจะเข้าใจตัวนี้นะเหนื่อยแสนสาหัสเลยหลวงพ่อเสียเวลาอยู่ทั้ง22ปี ตอนเด็กๆเราก็คิดแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไปแล้ววันหนึ่งจะรู้แจ้งนั่งทุกวันเลยนะนั่งไปเรื่อยเลยกลางวันนะบางทีกลางวันเรียนหนังสือตอนเด็กๆฉันประถมเนะมื่อก่อนเรียนหนังสืออยู่วัดโคกอีแรง้งใครรู้จักวัดโคกอีแร้งมั้งวัดพระปราชัยตอนเรียนอยู่วัดพระปราชัยสมัยนั้นโบดเก่านะเขาไม่ปิดหรอกเขาไม่กลัวของหายเพราะไม่มีอะไรจะหาย บทก็เก่ามากเลยนะพระประธา น, นก็เป็นปูนปูนก็เก่าอยู่กระทั่งเอานิ้วไปแตะท่านเนี่ยยุ่ยออกมาเลยเนี่ยดูอะไรๆก็เฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวนะแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิตอนกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วนะวันไหนถ้าไม่เล่นวิ่งสนกนะ็จะแอบเข้าไปนั่งสมาธิในบทนั่งอยู่นะั่นภาวนาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำไปทําไมแต่ชอบทํา ภาวนาทุกวันทุกวันอยู่ที่ไหนก็ทำตอนมาทำงานแล้วนะักกลางวันอีกก็นั่งสมาธิใจมันอยากปฏิบัติคิดว่าถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วมันจะเกิดปัญญาวันหนึ่งจะได้เป็นพระอริยบุคคลนั่งอยู่22ปีไม่เห็นจะเป็นสักทีเลยมีแต่ดีบ้างล้ายบ้างเรียกว่าคุ้มดีคุ้มหลายสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยปี จนกระทั่งปลายปลาย ป, ายปีสองสี่เนยไปได้อ่านธรรมะของหลวงปูดด่ดนละตอนนั้นเขามีวัดสัมทันธ์ทบงเขาสร้างเหรียญหลวงปู่แหวนขึ้นมาแล้วเาก็พิมพ์หนังสือมาเล่มหนึ่งนะเราเด็กๆนะเราก็อ๊ยมีเหรียญหลวงปู่แหวนท่านท่านดังนะอุตส่าห์ไปหามาสักเหรียญหนึ่งนะเสียเงินไปตั้งยี่สบสาสิบาทนนะ่อ เรก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มามีทำเนียบรุ่นด้วยโอ้มีหลายรุ่นทั้งที่เรามีอยู่รุ่นเดียวนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้ไปไหนเราก็รู้ตอนบวชจะแจกกระจายะในหนังสือนั้นน่ะประวัติหลวงปู่แหวนนะมันเหลือที่อยู่นิดนึงก็ไปพิมพ์อริยศาสตร์แห่งจิตของหลวงปู่ดุลไว้จิตส่งออกนอกคือสมูทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งเนี่ยจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกตัวเนี้ยพวกเราตันหลังๆลืมบทหลังไปแล้วธรรมชาติของจิตส่งออกนอกนะถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มบั่นไหวนะเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วไม่ก็เพิ่มบั่นไหวนะก็เป็นมักมีผลเป็นนิโรธผลทุกข์พระริยาเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่ก็เพิ่มบั่นไหนะ้เป็นวิหารธรรมนะ ธรรมะของท่านสอนอย่างนี้เพราอ่านธรรมะตรงนี้นะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเอ๊ะพราองคนี้พูดไม่เหมือนใครพูดแต่เรื่องจิตในใจมันก็นึกนะถ้าจิตไม่ถูกใครจะทุกข์ในใจมันนึกอย่างนี้ขึ้นมาแต่ทําไมเรานั่งสมาธิเราไม่เคยรู้เรื่องจิตไม่ได้เราต้องไปเรียนแต่จะเรียนที่ไหนล่ะไปเที่ยวถามคนนะตอนนั้นท่านเขาลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธ ไม่รู้ว่าคือใครเที่ยวไปถามถามเขเขาบอกอ้อชื่อหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นได้ยินว่าอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเราก็ถอดใจแล้วเพราะหลวงปู่ฟั่นมรณภาพไปแล้วอาจารย์หลวงปู่ฟั่นจะไปอยู่ที่ไหนก็เลยไม่ได้สนใจนะรู้สึกว่าท่านคงไม่อยู่แล้วพอต้นปีสองหก็มีคนมาบอกบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่วัดบูรพารามพิสุริน พอได้ยินอย่างนั้ น, น่ชวนกันไปสองคนขึ้นรถไฟไปไม่รู้หรอกวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนนะนั่งรถไฟไปสุรินทร์ก่อนเผื่อจะอยู่อำเภออื่นเดี๋ยวเราไปถามถามเขาแล้วก็ค่อยไปที่อำเภอนั้นแล้วค่อยไปถามจากอำเภอนั้นไปอีกนะกะยังไงก็ต้องหาให้ได้ไปถึงสุรินทร์นัเที่ยวถามเพื่อไปเรื่อยๆวนะ่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีคนรู้จักนี่ประหลาดนะถามๆๆไ้เดินจนท้อใจเลย อ, อยู่ที่ไหนสงสัยอยู่ต่างอำเภอไกลจนไม่มีใครรู้จัก เดินมาถึงสี่แยกหนึ่งเจอจราจรนะถามว่ารู้จักวัดบูรพารามไหมชี้ว่าอยู่หลังตึกเนี้ยเราก็ชักโมโหนะ อ, อะไรวัดอยู่ตรงนี้องเราถามคนนะไม่มีใครรู้จักกบ่นกับตำรวจบอถามมาตั้งนานแล้วไม่มีคนรู้จักตำรวจบอกชาวบ้านไม่รู้จักหรอกเขาเรียกว่าวัดบูนต้องถามว่าไปวัดบูนเนี่ยเขารู้จักทั้งเมืองหลยถ้ามาไปวัดบูรพารามเขาไม่รู้จักหรอกเข้าไปหาท่า น, นตอนนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ย ท่านท่านกำลังฉันข้าวอยู่ในกุฏิท่านก็มีพระบอกบอกว่าเนี่ยหลวงปู่อยู่เข้าไปสิตอนนี้ท่านฉันข้าวอยู่ตอนนั้นนะนะเป็นโรคปอดแหกเหมือนที่พวกเราเป็นตอนนี้แหละเป็นเหมือนกันแหละออไม่รู้ดุหรือเปล่าเป็นเจ้าคุณนลยสิอาจจะดุนะเคยได้ยินว่าเจ้าคุณบางองค์ดุ พูดอะไรไม่ถูกใจพี่นอพี่เทาไม่ถูกใจอาจจะเอากระโถนกว้างเอานี่ท่านดุแค่ไหนเราก็ไม่รู้จักนะไม่คุ้นเลยไปจดจดจ้องจ้องอยู่หน้ากุฏินะพระพระมาบอกเอาไปสิเข้าไปสิท่านฉันอยู่ให้ท่านฉันก่อน <c oughs> ความจริงเลี่ยงนั่นแหละชักปอดแหกเนอะเสร็จแล้วคนที่เอาอาหารไปถวายท่านก็ออกไปสักพักหนึ่งนะท่านเดินออกมาเองหลวงพ่อต้องไปหลบอยู่ที่ ตึกอีกตึกหนึ่งใกล้ๆ ก, กันตึกปริยัติธรรมนะมีสนามยา ก, กั้นพอท่านเดินออกมาจากประตูนะท่านมาจะทําหน้าอย่างนี้เลยนะมาจ้องใส่เราอ่ะเนะข้าไปกราบท่านท่านก็ถอยไปนั่งที่ระเบียงนั่งเก้าอี้โยกไอนะ้ถึงก็ไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านก็นั่งหลับตาไปเลยหนะลับตาไปเกือบชั่วโมงเลยโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วนะ นั่งนึกเออเมื่อไหร่ท่านจะตื่นนะเนะี่ยเราติดตัวรถไฟไว้ด้วยนะสิบโมงจะต้องไปแนละ้นี่แปดโมงกว่าหลวงปู่ยังหลับอยู่เลยนะรอท่านไปเรื่อยๆนะใจเราก็ชักกระวนกระวายหลวงปู่ไม่ตื่นไม่ตื่นก็ช่างท่านล้ทีนี้เราก็พาวนาเนาหายใจไปเรื่อยๆฝึกลมหายใจอย่ท่านพ่อหลีฝึกกลับมาหายใจไปหายใจไปรอหลวงปู่ พอท่านลืมตามาแเราก็หลีใจนะท่านจะสอนอะไรเด็ดขาดท่านก็เริ่มพูดเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยคำแรกที่ได้ยินเสียงท่านนะคือกอกไก <laughs> ่การปฏิบัติไม่ยากนะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ ถ้าอ่าจิตตนเองได้นะให้เห็นเลยจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนีโรอเข้าใจไหมตอนนั้นนท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจครับปลื้มเหมืนปลืม้มแต่ท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่หลังๆเนี่ยนะเริ่มไปบอกท่านแล้วว่าไม่เข้าใจอะ่ะเริ่มพูดความจริงตอนนั้นมันไม่ได้โกหกท่านนะแต่มันปลืม้มปลืมปล้มหลวงปู่พูดละหลวงปู่พูดละหลวงปู่บอก อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านบอกเข้าใจไม่เข้าใจครับปลื้มเออเข้าใจแล้วไปทำเมาลาท่านออกมาเลยนะไม่พีรีพี่ไหลเราจะรีบไปทำเมาละวตั้งแต่นั้นก็หัดดูจิตมาเรื่อยๆดูไปได้วยจิตมันทำงา น, ยงงนอย่างนี้อย่างนี้ดูทุกวันแหละดูไปวันนั้นสิบโมงนวะออกจอากสุรินขึ้นรถไฟมาลงโคราชไปแววัดป่าสารวัรเท่านา ได้ยินว่าหลวงพ่อวัด น, นี้ใจดนะีเข้าไปได้ยินแต่ชื่อท่านนะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อพุทธนั่นแหละเข้าไปถึงโอ้คนมีสักสิบกว่าคนคนเยอะจังเดี๋ยวจะรอให้ท่านว่างก่อนท่านก็มาโงอีตอนหลังถึงรู้ว่าท่านไม่เคยว่างเลยเหมือนที่คนบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะยังไม่ถามนะเดี๋ยวรอให้คนน้อยๆแล้วจะถาม ขึ้นไปถามนะท่านก็ถามมาจากไหนไปเรียนจากหลวงปู่ดูลมาท่านก็บอกเออให้ดูจิตไปเนี่ยตั้งแต่นั้นเวลาไปหาหลวงปูด่ดูลก็ยังแยะหาหลวงพอ่อพุทธทุกครั้งเจอทุกทีเลยช่วงนั้นการภาวนาก็พัฒนามาเป็นลําดับลําดับนะเบื้องต้นภาวนามไม่เป็นหัดดูจิตก็ไปเพ่งจิตบ้างไปแก้ไขอาการของจิตบ้างเพ่งจิตเช่นจิตฟุ้งซ่านก็คอยจ้องใส่มันทํายังไงมันจะสงบนี่ จิตมันเป็นอกุศลมีโลภขึ้นมาทําไงจะหายโลภจิตเป็นโกรธขึ้นมาทํายังไงจะหายโกรธจิตมันฟุ้งซ่านทําไงจะสงบจิตมันหดหู่ทําไงมันจะแช่มชื่นเนี่ยไขวบุ้นบายอยู่กับมันนะจิตเป็นทุกข์ทำไงจะหายจิตเป็นสุขทําไงจะสุขนานๆจิตเฉยๆทําไงจะมีความสุขเนี่ยวนเวียนอยู่างเงี้ยคิดว่าจะทํำยังไงทํายังไงแล้วจะดีทํายังไงแล้วจะดีเนี่ยใจมีแต่คำว่าทำทําไปทําไปนั้นทำอยู่สามเดือน รู้สึกว่าทําได้เก่งแล้วะจิตใจสงบดีละขึ้นไปกราบหลวงปู ด, ดนูนท่านสอนนั่งไห้หลังกลับมาเลยท่านบอกว่าที่ทําอยู่นั้นไปพุ่นไวยู่กับอาการของจิตไม่ใช่ดูจิตหรอกไปดูใหม่ไม่บอกนะว่าไปดูยังไงขอให้ไปดูเอาใหม่เอาแล้วหลวงปูว่าให้ดูใหม่ก็ดูอีกนะมาค่อยๆสังเกตท่านให้ดูนะท่านพูดที่ไรท่านก็บอกว่าให้ดูเราทํานี่ยวะเราทําเราไม่ได้ดู ตรงนี้สําคัญนะพวกเราค่อยๆสังเกตไว้ดูกับทาไม่เหมือนกันพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติที่อะไรเราทําทุกทีเคยถามวิทยากรไหมหรือถามอาจารย์สุรวัตรถามมอนัดไหมว่าทํายังไงแล้วจะถูกทํำยังไงแล้วจะดีในใจลึกๆ เ, เราคิดแต่จะทำนะทุกวันที่ตื่นขึ้นมาอวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีจะทํำยังไงให้มันดีกว่า น, นี้อีกทํำยังไงมันจะไม่เสื่อมมันมีคําว่าทําตลอดเวลาหลวงปู่บอกให้ดูหลวงปู่ไม่ได้ให้ทํา ดูเหมืนเราดูละครอ่ะคนที่ดูละครเนี่ยไม่ใช่นักประพันธ์นะครับไหมเราเป็นคนดูเราไม่ใช่นักประพันธ์นักประพันธ์มันต้องคิดไปแต่งไปงั้นเราอย่าไปแต่งจิตเราแค่ดูมันเราเป็นเป็นคนดูเราไม่ใช่นักแสดงงั้นเราไม่ต้องไปทําซะเองจิตมันทําอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆร่างกายมันทําอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเราเป็นคนดูกายเหมือนตัวละครจิตเหมือนตัวละครมันเล่นไปให้เราดูนะ เราไม่ใช่ผู้กำกับด้วยไม่ต้องมาวกวากสั่งว่าหันซ้ายหันขวาอา้ายิ้มหวานหวานหน่อยนางเอกอย่าหน้าบึ้งอะไรเงี้ยไม่ต้องทำใช่เพราะเราเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้กำกับแล้วเราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หลักขอด้วยไปดูก็ดูไปเฉยๆแหละจะสนุกก็รู้จะไม่สนุกก็รู้ไปนะไม่ต้องไปนั่งวิจารณ์นะคนนี้เล่นดีคนนี้เล่นไม่ดีนะพวกเราชอบทาเกินจากการรู้รู้สึกไหมเวลาเราปฏิบัตินะ เร่มแต่ว่าทํายังไงจะถูกทํำยังไงจะดีเสร็จแล้วก็หาทางทําใหญ่เลยทําตัวเป็นนักประพันธ์เวลาจิตมันไม่ดีจิตมันฟุ้งซ่านก็พยายามควบคุมบังคับมันนี่อยากเป็นผู้กํากับควบคุมมันบังคับมันแล้วก็เสร็จแล้วพอมันโกรธขึ้นมาก็บ่นมันอีกโกรธอีกแล้วไม่ดีเลยโกรธอย่าไปโกรธสิโกรธแล้วไม่ดีเนี่ยทาเป็นนักวิจารณนะ์ใช้ไม่ได้นะ ท่านสอนให้เป็นผู้ดูไม่ใด้ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่ให้เป็นนักแสดงไม่ใช่ให้เป็นผู้กำกับไม่ได้ให้เป็นนักวิจารณ์นะทำตัวเป็นคนดูดูลูกเดียวเลยแล้วไม่ต้องทำตัวเป็นนายทุนนะว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสถีจะได้กำไรนะนี่ทำตัวแบบนายทุนเจ้าของโรงละครนะดูละครเมื่อก่อนงานภูเขาทองงานบ้านมีละครลิงตอนเด็กๆหลวงพ่อก็ชอบไปดูละครลิงพอมาดูจิตนะ ไลยรู้เลยละครลิงเล่นอยู่ที่ไหนดูไปนะละครลิงนี่ไม่เสียสตังค์ไม่ใช่คณะหันสาวานอนนะคณะคณะอะไรก็ไม่รู้แหะทุเล็ที่สุดเลยนะสนยิ่งกว่าลิงอีกนะเกิดไหมใจเราสนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคนะอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะทำตัวเป็นคนดูอย่ยุ่งกับมันนะทุกวันนี้คนดูจิตนะเยอะแยะเลยก็บอกแล้วว่าเป็นปรากฏการณ์หลวงพ่อประโมทพูดเรื่องดูจิต ใครๆก็ดูจิตกันใหญ่ใครๆก็สอนดูจิตมีคนสอนดูจิตเยอะมากเลยนะตอนนี้ตามวัดวาต่างๆเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วก็เปิดคอร์สสอนดูจิตกันใหญ่บางแห่งนะดู5วันนะได้โสดาทุกคนเลย <c oughs> ยกเว้นคนสอน <c oughs> ใครๆก็ดูจิตกันใหญ่แต่มันดูแบบไหนมันดีโอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยนะไม่ใช่ดอเด็กสระอู ส่วนมากมันดีโอดูคือทำนั่นแหละทําอย่างน้นสิทําอย่างนี้สิทาอย่างน้นสิทําอย่างนี้สิจับหลักให้แม่นนะให้รู้นะไม่ใช่ให้ทําให้รู้ตามความเป็นจริงทําไมต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปทําอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วให้รู้ตามความเป็นจริง รู้อะไรรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้มันตามความเป็นจริงได้อันแรกต้องรู้ก่อนรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเมื่อไรเรารู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจในปัจจุบันนี้เรียกว่ามีสตินะเรียกว่ามีสติรู้ตามความเป็นจริงคืออะไรเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์เพราะความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา แารรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ไตรลักษณ์การรู้ไตรลักษณ์ก็คือตัวปัญญาแล้มีสตินะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้รู้เล่นๆรู้สบายๆรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมีคาหนึ่งแล้วนะแรกบอกมีสตินะรู้กายรู้ใจไปรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะอย่าไหลเข้าไป ตรงนี้ต้องเรียนนะว่าจิตที่ไหลเข้าไปเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเดี๋ยววิทยากรเขาคงสอนเองแนะถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเกิดปัญญาคือจะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ทันทีเพราะฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจไปนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจเวลารู้กายรู้ใจก็ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นมีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจเป็นมิจฉาสมาธิเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเนี่ย เป็นมิจฉาสมาธิถ้าสามาสมาธิใจจะตั้งมั่นใจอยู่ตังหาเป็นแค่เห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจ guesses, dus, tree, อยู s, <S ja. mm down, mm ่นะแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์ถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดเลย แล้วก็เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราการที่เห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์นี่แหละเส้นทางเดินเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงไปช่วงหนึ่งจะเบื่อจะรู้สึกเลย รูปนามกายใจหรือโลกธาตุทั้งหมดนี้ไม่เห็นจะน่ารักน่าผวงแหงนตรงไหนเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะน่าเบื่อมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างเนี้ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจเมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยจิตจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะอะไรเพราะทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเรากายไม่ทุกข์หรือกายมันทุกข์แล้วเราไม่เกี่ยวใจมันทุกข์เราไม่เกี่ยว นี่เราจะพ้นจากความทุกข์นี่นเราพาวนานะวันหนึ่งเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะมีอิสระภาพกายเป็นยังไงเราก็ยังมีอิสระไม่หวั่นไหวไปกับกายจิตเป็นยังไงเราก็มีอิสระไม่หวั่นไหวไปกับจิตเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงขึ้นมาและชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขอันออ น, นี้สดเถียนเลยสเถียนอยู่ตลอดชั่วชีวิตของเรานั่นแหละจิตนะมนะีอยนะู่สองแบบเท่านั้นคือจิตที่มีสมนัต เบิกบานขึ้นมากายจิตที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขที่ประนีต น, นั้นชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ล้มลุกลุ ก, ลกคลานลุ่มลุ่มดอนดเหมือนชีวิตที่ผ่านมาที่ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่พวกเราเรียนนะศาสนาพุทธสอนจนเราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จริงๆไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะมรรคผลนิพพานมีจริงๆมรรคผลนิพพานไม่เคยสูญหายไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ขาดสายลงมือซะตั้งแต่วันนี้นะอย่าช้ากว่า น, นี้จะสายเกินไปต่อไปจะไม่มีใครสอนให้ดอกนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ